พระนวะกะจึงต้องขอนิสัยเรื่องขอนิสัยเป็นธรรมเนียมของพระนวะกะซึ่งอายุพรรษาหย่อนกว่า5ต้องถือนิสัยอุปัชาอาจารย์ถ้าอยู่ในสำนักใดที่ไม่ใช่อุปัชาก็ต้องขอนิสัยจากอาจารย์ผู้ปกครองในสำนักนั้นพระภิกษุที่ขอนิสัยแล้วต้องทำกิจวัตรต่ออุปัชาอาจารย์ ขอเพียงแต่ขอเป็นธรรมเนียมก็ไม่สําเร็จพระนวักะอยู่ในสำนักอุปัชอาอาจารย์ไม่ได้ทํากิจวัตรอุปชอาอาจารย์เพียงวันเดียวต้องอาบัตทุกกฎอย่างน้อยก็ต้องแสดงอาการปรนิบัติเช่นเข้ามากุติหรือที่ใดที่ท่านเคยนั่งเคยอะไรก็ทําทีไปปัดไปกวาดแม้แต่เอามือปัดปัดไปเฉยเยก็ได้ชื่อว่าอุปถาครูบาอาจารย์ผลจากอาบัตทุกกฎ เพราะฉะนั้นถ้าพระนวกะท่านใดอุปสมบทเป็นพระแล้วอยู่ห่างครูบาอาจารย์ไม่ทำกิจวัตรอุปชาครูบาอาจารย์อันนี้จะสร้างทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระเฉลียวฉลาดพูดจาคล่องจูงใจให้เกิดความเลื่อมใสได้เร็วถ้าลืมอุปชาอาจารย์จะเพิ่มทิฏฐิมานะมากขึ้นทุกทีในที่สุดจะถึงซึ่งความวิบัติ ที่ท่านต้องให้พระนวกาทากิจวัตรอุปชาอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อปราบทิฏฐิมานะเมื่อพระภิกษุที่มาขอนิสัยอุปชาอาจารย์แล้วอุปชาอาจารย์ก็ต้องให้ความไว้วางใจคือเชื่อว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์เราจริงถ้าใครไม่ขอนิสัยหรือขอแล้วแต่ไม่ทำกิจวัตรครูบาอาจารย์จะไม่กล้าอบรมสั่งสอนทาไมถึงไม่กล้าเพราะกลัวก บ, บาลแตก ประเดี๋ยวประเทศสอนมันหนักบ้างเบาบ้างมันโกรธเอามันจะตีหัวเอาทำไมหลวงพ่อจึงขอนิสัยจากหลวงตามหาบัวมีผู้สงสัยว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระนวกกับ เราทำไมจึงไปข อ, อนิสัยจากหลวงตามาหาบัวเราก็นึกว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่ขอท่านจะกล้าสอนเราเหรอคือเราถวายความไว้วางใจให้แก่ท่านในเมื่อเราน้อมเข้าไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านขอนิสัยคือขอเป็นลูกศิษย์เมื่อขอเป็นลูกศิษย์แล้วเราทำกิ จ, จวัตรท่านเวลาไปมาหาสู่ท่านก็เคารพ น, นอบน้อม เทกระโถนหรือทำอะไรให้ท่านท่านก็เชื่อใจเราว่าอ้อหมอนี่มันเป็นลูกศิษย์เราจริงเวลาเห็นเราทำอะไรผิดพลาดท่านก็ด่าได้ด่าเอาถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านจะมาเชื่อใจเราได้อย่างไร คขา วันทาพระมหา